บทสวดยอดพระกันไรปิดกต้นฉบับเดิมอิติปิโสภควาอารหังวัสโตภควาอิติปิโสภัควาสัมมาสัมพุโทววโธวัตโสภควาอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนวัตโสภควาอิติปิโสภควาสุขตววตโตวัตโสภควา อิต bon. ิป so, so. ิโสภะควาโลกวิทูวัตโสภัควาอารหังตังสรนังคัจฉามิอารหังตังสิระสาณามิสัมมาสัมพุทธังสรนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสิระสาณามิวิชาเจรณะสัมปันนังสรนังคัจฉามิวิชาเจรณะสัมปันนังสิระสาณามิ สุขตังสรารนังคัจฉามิสุขตังสิราาะสาณมามิโลกวิธังสารนังคัจฉามิโลกวิธังสิราาะสาณมามอาอาิอิติปิโสภควาอนุรรตตโรวัตโสภควาอิติปิโสภควาปุริสธรรมสารติวัตโสภควาอิติปิโสภัควา สัทธาเทวมนุษยสานังวัตโสภควาอิติปิโสภควาพุทโววัตโสภควาอนุตตรังสารังคัจฉามิอนุตตรังสิระสาณามามิปุริสธรรมาสารถิสรรังคัจฉามิปุริสธรรมาสารถิสิระสาณามามิสัทธาเทวมนุษยสานังสรรังคัจฉามิ สัทธาเทวมนุษย์สานังสิระสานมามิพุทธังสรรนังคัจฉามิพุทธังสิระสานมามิอิติปิโสภัควาอิติปิโสภัควารูปขันโธอนิจจะลักษณะปารมีจะสำปันโนอิติปิโสภัควา อิติปิโสภะควาเวทนาขันโธอนิจจลักขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาสัญญาขันโธอนิจจลักขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภควาอิติปิโสภะควาสังขารขันโธอนิจจลักขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะควา อิติปิโสภัควาวิญญาณขันโธอันนี้จะลักขณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภัควาอิติปิโสภัควาปัทวีธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภัควาอาโปธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภัควาเตโชธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิต <rude S 2> ิปิโสภะควาวายโยธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาอากาสธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาวิญญาณธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาจักรวรรธาตุสมาธิยานสัมปันโน อิติปิโสภคะวาจาตุมมหาราชิกาธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาตาวติงสาธาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภคะวายามาธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาตุสิตาธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติปิโสภคะวานิมมาณรติธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาประนิมมิตาวัสวัตติธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวากามาวจรัตธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวารูปาวจรัตธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาอรูปาวัจจระธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติป <anor> ิโสภะควาโลกุตระธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาปัทมะชาณะธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาทุติยะชาณะธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติปิโสภควาตติยะชาณะธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาจตุทชาณะธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจมะชาณะธาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอากาสานัญจายตนะธาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติปิโสภควาวิญญาณจายตนะธาตุสมาธียาณสัมปัน โ, โนอิติปิโสภควาอากินจัญญายตนะธาตุสมาธียาณสัมปันโนอิติปิโสภควาเนวสัญญาณาสัญญายตนะธาตุสมาธียาณสัมปันโน อิติปิโสภควาโสตาปฏิมักคตาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาสกิทาคามิมัคคตาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาคามิมัคคตาตุสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหัตตมัคคตาตุสมาธิยาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาโสตาปฏิภละทาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาสกิทาคามิภละทาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาอนาคามิภละทาตุสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรหัตตะละทาตุสมาธิยานสัมปันโน กุศลาธรรมมาอิติปิโสภควาอะอายาวะชีวังพุทธังสรนังคัฉามิชัมภูทีปัญจอิสโรกุศลาธรรมมานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังคายะปัญจพุทธานา ม, ามิหังอาปามะจุ ป, ปะทีมะสังอังคุสังวิทาภูกกะยะปะอุปะสชะสุเหปาสายะ โสโสสะสะอะอะอะอะนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวอสังวิสุโลปุสะู้พะอิสวาสุสุสวาอิกุสลาธรรมาจิตติวอิอัติอิติพิโสภัควาอารหังอะอายาวะชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิสาโพธิปัญจะอิสโรธรรมา กุศลาธรรมมานันทะวิวังกโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลาโนโยวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิจาตุมมหาราชิกาอิสโรกุศลาธรรมมาอิติวิชาจรณะสัมปันโนอุอุยาวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิตาวติงสาอิสโรกุศลาธรรมมา นันทะปัญจสุขโตโลกวิถูมหาเอโอยาวชีวังพุทธังสารนังคัจฉามิยามาอิสโรกุศลาธรรมมาพร ม, มาสัตธะปัญจะสัตตะสัตตาปารมีอนุตตโรยมมกัคขะยาวะชีวังพุทธังสรนังคัจฉามิตุสิตาอิสโรกุศลาธรรมมาปุยะปะกะ ปุริสธรรมมสารถิยาวะชีวังพุทธังสรนังคัจฉามินิมมานารติอิสโรกุศลาธรรมมาเหตุโปวะสัทธาเทวมนุษย์สารนังตัายาวะชีวังพุทธังสรนังคัจฉามิปรนิ ม, มิตะส ว, ะวัตติอิสโรกุศลาธรรมาสังขารขันโธ ท, ทุกขังอนิจจังอนัตตา รูปขันโธพุทธะปะผะยาวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิพรหมาอิสโรกุศลาธรร ม, มานติปัญจยาวินะปัญเจภะข่าวตายาวะนิพพานังสระนังคัจฉามินะโมพุทธสสะนะโมธรรมสสะนะโมสังคสสะพุทธิลาโภกลากรกนา เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหณตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะนโมพุทธสัจนโมธรรมสัะนโมสังคสัจวิตติวิตติวิตติมิตติมิตติมิตติจิตติจิตติวัติวัติมัจจสุสุวัติโหณตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะ อินทสาวังมาหาอินทสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังจักวัตติสาวังมหาจักวัตติสาวังเทวาสาวังมาหาเทวาสาวังอิศาาีสาวังมหาอิสีสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสับปริสาวังมหสับปริสาวังพุทธสาวัง ปัจเจกับพุทธสาวังอรหัตสาวังสัพพสิทธิวิชาธานางสาวังสัพพโลกาอิริยานางสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสาวังคุณนางวัชพลังเตชังวิริยังสิทธิกํามังนิพานังโมขังคุยหะกังทานางศีลังปัญญานิขังปุญญังภาขยังยะสัง ตับปังสุขขังสิริรูปังจตุวีสติเทสนังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหรุตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะนะโมพุทธสัจนะโมธรรมสัจนะโมสังคสัจทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธ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 รูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธนะโมสุปฏติปันโนภควโตสาวกสังคโฆวาหะบริตังนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตายาวะตัสสะหายโยนะโมอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอะมะอะวันธา นโมพุทธายะนะอกตินิสารณะอาระปะขุทังมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาบทวิปัสสติสัพพทุกขาสัพพภยาสัพพโรคาวินาศสันตุ